ลองให้ลองทําก่อนนะยังไม่ต้องอธิบายมากมันต้องเหมือนเมื่เราทานข้าวอ่ะมันจะทานอาหารใหม่ที่เราไม่เคยทานมันจะคิดก่อนไม่ได้หรอกว่ามันจะรสชาติเป็นแบบไหนหรือว่าทานไปแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรเนี่ยมันต้องเป็นการลองสัมผัสดูลองทานดูมันจะรู้ว่าน่าเป็นแบบไหนลองคืนเข้าไปดูมันจงจะรู้ว่าร่างกายมันมีแรงมันตอบสนองหรือว่ามัน มันมันเสียอะไมันไม่รู้หรอให้เราลองลองเปิดใจแล้วก็ลองลองทําไปดูนะแต่ถ้าได้ผลอย่างไรก็ตัวเราเนี่ยมันจะบอกเองว่าเออทาไปแล้วมันจิตมันสงบขึ้นไหมหรือทําแล้วมันฟุ้งซ่านอืทําไปแล้วมันอมันมีความสุขหรือทําแล้วมันเครียดนะเราก็ลองดูแล้วก็ไอ้ผลจากการที่มันเกิดผลนั่นแหละ ถ้เรารู้ทันแล้วก็ค่เปลี่ยนเปลี่ยนเอ๊ะทำไปแล้วมันเครียดเราตั้งใจเกินไปหรือเปล่าอันน้ลองสังเกตดูเอหรือว่าเราตั้งใจเกินไปหรือทําไปแล้วมันฟุ้งซ่านเพราะว่าเราไม่มีสติใช่ไหมเพราะาเราไปอยู่กับความคิดหรือเปล่าเราคิดแล้วก็คิดต่อเราไม่กลับมาหรือเปล่าให้เราลองสังเกตดูพวกนี้นะมันเหมือนจะเป็นการค่อยค่อยปรับก็แค่ปรับตัวเราให้มันเข้าที่เข้าทาง ทำใหม่ๆหม่มันอาจจะมีไม่เข้าออใจอาจจะมีหลงบ้างแต่รกรรมฐ า, านคือเหมือนคล้ายหลักให้เราได้กลับมากลับมาหลงไปคิดก็กลับมาอยู่กับกรรมฐ า, านหลงไปฟุ้งซ้านก็กลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยลองลองทำกรรมฐ า, านคือเป็นหลักให้เราได้กลับมากลับมาเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนเราเดินเหมือนเด็กเด็กเดินที่ พิ่งเดนใหม่ๆก็ต้องมีมีราวมีราวจับกรรมาฐานในรูปแบบคือราวที่เร า, เาไว้จับให้เราเดินให้หมันคล่องเนี่ยเมื่อเดินค้องแล้วกรรมาฐานเนี่ยก็อยู่ในทุกที่ได้เลยแต่รูปแบบกรรมาฐา น, เ, นเป็นเอาไว้ไวสําหรับฝึกในเบื้องต้นแล้วก็เอาไว้ต้อมอย่างสอนนื่นองเรายอมให้นั่งสบายๆนั่งนั่งพักเพียบหรือัสมาธิก็ได้ แล้วฝึกตรงนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องหลังป็นั่งเต่าย์ก็ได้นะมันไม่เกี่ยวคือเราแค่นั่งให้สบายสบายในท้าไหนก็ได้นั่นมันเป็นการเคลื่อนไหวมือนะ่วนใหญ่ที่อื่นเขาจะใช้เคลื่อนไหวลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือว่าดูทอกองทองยุกหรือบางที่จะใช้คำบริกรรมก็เป็นกรรมฐานเหมือนกัน แต่ของที่นี่จะใช้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวถ้าเรานั่งก็จะเน้นที่การเคลื่อนไหวของมือถ้าเดินก็รู้สึกกับการเคลื่อนไหวของของเท้าของขาเราฝึกตรงนี้เคลื่อนไหวเป็นติดเป็นจังหวะก็เรียกว่าสร้างจังหวะพอเราสร้างจังหวะคุ้นต่อไปเราเคลื่อนไหวอย่างอื่นมันก็จะรู้ของมันเองนะนนี้คือรู้สึกการเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วก็ต่อไปเราไปทําอ่ำอื่น มันก็ตามรูปการเคลื film, mm ่อนไหวที่เป็นธรรมชาติของเราเอาทํามือวางไว้ที่หัวเข่านะรู้ไหมมือตอนนี้เราอยู่ที่หัวเข่ารู้นะืตอนนั่งนี่เราก็รู้นะพลิกมือขวาตะแคงพลิกมือขวาตะแคงตะแคงตั้งอย่นี้นะรู้สึกยกขึ้นมือมือขวาบางที่ท้อง มือซ้ายจะแข็งตั้งให้เรารู้สึกต่อนเราเคลื่อนนะยกขึ้นมีอก็คือเคลื่อนรู้วางทับมือขวามือขวาเลิ่นขึ้นมือขวาย่อออก ข, อข้างๆตั้งลงหัูเข่ารู้สึกนะเวลาเคลื่อนข้อมลงมือซ้ายเลือนขึ้นย่อออก ข, อข้างๆตั้งลงหัวเขา่า มันจะทําเป็นแบบทีละขณะนะทีละครั้งพลิกมือรู้สึกตําพลิกรู้สึกตอนยกรู้สึกเอามาวางรู้สึกพลิกมือซ้ายรู้สึกพับขึ้นมารู้สึกวางไว้ที่หน้าท้องรู้สึมือขวาเลื่อนขึ้นรู้สึกเกาะข้างข้างรู้สึก ตั้งลงรู้สึกตว่ำรู้สึกมือซ้ายเย็นซึ้งรู้สึกออกข้งางรู้สึกตั้งลงค้่ำพิมอขวาพิษมือซ้าย รู้สึกคือรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในร่างกายของเราเองใครจำท่าได้ลองทำเองก็ได้นะไม่มีการเคลื่อนเป็นข้งเป็นข้าง จะช้าขึ้นหรือเร็วขึ้นก็แล้วแต่เราน ะ, นะลองดูให้มันพอดีขอแต่ละคนแต่ให้มีหยุดนิดนึงแล้วก็เคลื่อนต่อหยุดนิดนึงแล้วก็เคลื่อนต่อให้ทําแล้วเราให้เรารู้สึกว่าเราไม่เกรงเกินไปคุณนะโยมเสื้อที่เขียนลายเวิรเก่งเกินไปนิดนึงเวลาเคลื่อนยก เลื่อนเื้อให้แบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องหลับตามมไม่ต้องหลับตามองมองไปทั้งหน้าแบบสบายสบาย เพื่อนเราลองสังเกตดยตัวเองเพื่อนใี่เพื่อนใี่สบายสบาย ยังไงพอจําท่าได้ไหมกังวนท่ากังวนท่ า, าแล้วเวลาทําไปแล้วมันตีมันรู้เข้าใจคาว่ารู้รู้เวลาคือ เช่นอาตบีช่อไหมเราก็ต้องเราก็ต้องเรียนแบบใช่ไหมแรกแรกมันก็ทำไม่ทันหรือว่าไม่คล่องแต่พอเราซ้อมบ่อยๆท่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปเนื้อใจจำได้ใช่ไหมแต่จริงหลักสําคัญอย่างเช่นโยคาหรืออาตบีมันไม่ใช่ว่าจําท่าได้แ ต, แต่หลักสำคัญคือเพื่อให้มันได้ยืดเส้นยืดสายแล้วมันเกิดเกิดการ่อนทายยืดเส้นยืดสายหรือว่าให้เกิดการออกกลำลังกายนะอันนี้ก็เหมือนกัน เอ้ท่านะที่จริงนะแค่นี้ก็ได้นะพลิกมือง่ายพลิกมือฟังก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้คือมมีจับคืออใช่คือหลักสามัิคืน่ะเคลื่อ น, ะอนรู้เคลื่อนใหม่รู้เคลื่อนรู้แค่นี้ก็ได้นะเนะี่ยมีลูกิจย์หวงพ่อคําเขียนเาพิการนะชื่อาจารย์สพลทำานี่ ตั้งแต่ช่วงช่วงคอลงมาพิการเคลื่อนไหวได้แค่มือก็นอนนอนพลิกมืองายพลิกมือคว่าทำไปบ่อยๆเย็นท่านก็ทำแบบลองท่ต้องถูกเองที่บ้านตอนนั้นใช้จดหมายเขียนทำก็ทำไปประมาณเดือนนึงเขาเห็นเห็นว่าอะไรเห็นไอ้ชิปการ์ดนะคือร่างกายแต่ใจนะมันเป็นกิสระ แต่ก่อนมันจะมีความรู้สึกว่าเราเราเป็นคนพิการใช่ไหมเราคนไปโยมกับความคิดว่าเราพิการเราเราไม่เป็นเหมือนคนปกติแต่พอเราเห็นจริงจริงว่าพิการมันไม่ใช่เรามันเป็นคือร่างกายแต่จิตใจเนี่ยมันเป็นอิสระเหมือนโยมอาจจะเห็นไอ้ที่มันร่างกายมันแก่นัก็คือมันคือร่างกายมันไม่ใช่ว่าเราแก่น่ะมันมันจะเห็นว่าเหมื้อ หรือพอถึงจุดนึงร่างกายมันหิวร่างกายมันปวดขาร่างกายมันไม่สบายเราจะเห็นมันเป็นแค่ส่วนของร่างกายถ้าใจเราจะอิสระเหมือนตรงนี้เราจะเห็นอ๋อกายมันเคลื่อนใจมันแค่รู้เฉยๆนะกายเคลื่อนใจรู้เราก็จะเห็นร่างกายเนะี้ยมันมันเปลี่ยนแปลงเดินบ้างหยุดบ้างหิวบ้างอิ่มบ้าง ร้อนบ้างเย็นบ้างเราจะเห็นมันเป็นเค่องแก้ร่างกายเราสังเกตวิธีการฝึกแบบวิปัสนาคือเพื่อแยกแยกว่าส่วนกายส่วนหนึง่งส่วนใจส่วนหนึง่งอันนี้คือเรื่องฝึกแบบนี้นะ่ะมันจะต่างเพรว่าฝึกวิปัสนาคือคือฝนะึกแยกอายแยกใจาภาษาพาร์ตเรียกว่าแยกรูปแยกมาไม่ใช่ว่าบางทีบางคนคิดว่ามานั่งสมาธิถ้านั่งแล้วมันไม่แยกอะ่ะไม่เกิดปัญญา พระพุทธเจ้าตอนนั่งสมาธิก่อนเป็นพระพุทธเจ้าที่เขาเคยนั่งแต่นั่งแล้วมันได้แค่ความสงบมันไม่เกิดปัญญาขึ้นเลยก็สงบชุขนิ่งๆก็คล้ายๆเรานอนหลับแต่เพียงแคหลับในสมาธิหลับในชานใช่ไหมฮะมันเป็นแบบนี้นเหมือนเรานอนหลับแล้วไม่ฝันมันก็รู้สึกสบายผ่อนคลายอันนั้นไม่เกิดปัญญาเพราะตรง น, นั้นแต่เราฝึกวิปัสสนาเพื่อเนี่ยแยกเห็นว่าอันนี้ส่วนกายอั น, นี้ส่วนใจ ต่อไปส่วนที่เป็นนามธรรมสื่อมใจก็จะแยกได้ย่ออย่างไปอย่างที่เราสวดว่าขันทั้งข้างันมีเป็นห้าขันเป็นห้ากองชีวิตเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นเราเที่จริงเป็นแค่ห้ากองเนี่ยม า, มารวมกันอะไรนะีประมาณนั้นนะเราต้องไปฝึกแยกเลยนะอย่างเราฝึกแบบนี้ก็คื อ, อ, อเพื่อแยกว่าอ๋อกายเคลื่อนใจแค่รู้กายเคลื่อนใจแค่รู้ลรงทนะําหน้าที่แบบนี้แค่นี้ดูนะ ทำแค่นี้ก่อนพอใจเราเผื่อไปคิดเรื่องอื่นให้กลับมารู้ว่ากายกำลังทำอะไรแค่นี้นะคิดก็ไม่เป็นไรเราห้างไม่ได้แต่พอมาคิดไปแล้ว เ, ออเรากลับมารู้กายแต่คำว่ารู้กายนี่ไม่ใช่ว่าอย่าไปรู้จ้องส่วนเดียวนะเช่นอย่าไปจ้องมืออย่าไปจ้องแขนหรือเดินก็อย่าไปจ้องแค่ฝ่าเท้าให้รู้สึกแบบสบา ย, บบายๆรวมๆเหมือนโยมดูอาตมา ถ้าโยมจ้องมันดูแต่หน้ามันก็จะเพ่งจ้องดูแต่แข น, นก็จะเพ่งเหลโยมจ้องดูตัวเองก็เหมือนกันจ้องแต่แขนนั่เองก็คือเพ่งแขนจ้องดูลงหายใจดูแต่ลมอย่างเดียวเนี่ยก็เพ่งลมของตัวเองให้ดูกับสบายสบาย่งเหมือนนะนั่งพิิกก็สบายๆเราลองพลงิกมือเร็วๆพลิกแน่นๆสบาย ต้องมองไหมไม่ต้องมองรู้สึกนี่คิดความรู้สึกนี่เรียกว่ารู้สึกตัวคือแบบนี้นะเราทาอะไรก็รู้สึกตัวแต่คนเรามักจะดื่มตัวคือว่าเราทําอะไรเราไม่ค่อยรู้ตัวเราเดินนะมันก็มีการเดินแต่ใจเราอยู่ไหนเราไม่ไอยู่กการเดินใจเราไป คิดเรื่งนั้นเรื่อง น, น, องนี้หรือใจเราไปกับสิ่งที่ตาเห็นใช่ไหมครันี่คือเราลืมตัวคาว่ารู้ตัวคือเราทําอะไรให้ใจเรามารู้สึกว่ากำลังทําอะไรอยู่ให้การยกมือสิบสี่ถ้าเป็นเรียกว่าเป็นอุบายถ้าเรานั่งเฉยๆบางทีจิตมันจะคิดส่วนใหญ่คนอายุเยอะๆเนะี่ยบางทีคิดไปถึงอดีตเนาะที่เคยสุบเคยทุกข์ คนอาจะคิดกังวลในอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เรากลัวว่ามันจะเป็ น, น, นใช่ไหมใจเราจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวก็วคือไม่ไปอดีตก็ไปอานาคตหรือหรือปัจจุบันก็อ จ, จะเป็นสิ่งที่มันจระตุ้นเราทาตาทำหูอนะให้เราก้องมารู้ตัวตัวนี้บอ่อยๆนั้นสิบสี่ท่าเนะีลองทําดูจําทําผิดไม่เป็นไรนะเอนะทําผิดก็เริ่มใหม่ ถ้าไม่ได้สําคัญแต่สิ่งจังหวะคือรู้สึกตัวตอนมันเคลื่อนไหวตอนมันสัมผัสแล้วก็เทคนิคนิดนึงก็คือว่าให้มีการเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนหยุดเป็นจังหวะแบบนำมาทํานะนจังหวะแล้วก็ให้ให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทีนะ่นี่ ให้เรารู้สึกว่ามันสบายแต่ถ้าแบบนี้เก่งนาะไป็นแบบน่าเก่งมาตั้งใจมากคือร่างกายมันก็เกร็งใจแล้วก็เกร็งใช่ไหมฮะหรือบางทีบางทีเราแบบบางทีแล้วก็น้อมเกินไปมันก็ไม่ผ่อนคลายนะเช่น เราดูเหมือนมันเบาๆสบายแต่จริง ม, มันไม่เป็นธรรมชาติใช่นะอหมให้โยมสังเกตดูให้ทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดไ ม, ไม่เกี่ยวว่าช้าหรือเร็วธรรมะธรรมแงสวยหรือไม่สวยนะให้เรารู้สึกว่าเคลื่อนสบายเมื่อเราเคลื่อนสบา ย, บายใจเราสบายมันจะเกิดความผ่อนคลายให้ความผ่อนคลายนั้นนหะมันจะเป็นมันจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ เกิดสติเองนะถ้าเราทำลนะแล้วมันเกริงเกรงอ่ยเรามันจะมีความไม่ผ่อนคลายแล้วก็มันจะเครียดนะลองนะลองทําดูใหม่อนะนั่งก็ให้พอดียืดเกินไปก็เมื่อยมอไปก็นั่นเมันพอดีนะแล้วก็พลิกมือยกมือต้องเหมือน ก, กันนะลองดูเอ็นพอดีพอดีของเราอาจจะไม่หเหมือนเข้ากันมานะนะนะแล้วแต่เรา วิธีนี้ก็อาจจะไม่ต้องหลับตาก็ได้โยนมองมองไปข้างหน้าแบบผันผ่านนะมองแบบผันผ่านมองไม่ได้ไปหาอะไรเราใช้ใจเป็คนมองดูการเคลื่อนไหวของนัน มากนะให้ทำชามา้างให้ดูเป็นธรรมชาติ ด, ดูรู้สึกดูแบบกระชักกระชัก<ฮ>รู้เสี้ย ง, ง, ง, งครั้งหนึ่งรูครั้งหนึ่งเสี้ยงครั้ง รู้แบบกระชากกชากมันจะเกิดความถี่นะความถี่คือการรู้ไปบ่อยเหมือนเม็ดฝนมันเป็นทีละเม็ดทีละเม็ดมันถี่มันแรงก็คือมันปริมาณมันเยอะมันเลยดูเหมือนแรงมันไม่ใช่เป็นสายเหมือนใายน้ําการรู้ก็เหมือนกันรู้ทีละครั้น กี่รายการ นะได้ไหมลุง<ม>เป็นไงบ้างต่ทต า, า, ตาอะไรไม่ทันรำรำรู้สึกอะไรใจลอยใช่ไตามมันดเนี่ยบางทีมันจะมีสองทางนะส่วนหนึ่งคือใจเป็นลอยไปคิดอันนี้อย่างหนึ่งอีอย่างเนื้อก็เพ่งมันฟังคับมันไว้ เราสังเกตดูทางสายกลางเสมอทั้งนะนะคับางทีเราก็เผลอใจลอยไปคิดใจเราไปอันนี้สมมุตินี้จบความคิดเนาะ น, นี่คือใจปกติใจเราไปอยู่ความคิดมันก็ลากไปนะบางทีใจเราก็จ้องไว้การทางสายกลางไม่ใช่ว่ามันจะตามตลอดนะโยมแต่คือว่าเมื่อมันคิดเรารู้ตัวขับมาเมื่อมันเพง่งเรารู้ว่าตอนเพ่งเราเครียด เรากลับมามันจะเป็นแบบเนี้มันไม่ใช่ว่าฉันจะต้องรู้อย่างเดียวมันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เรียกว่าสภาวะของจิตของพวกเราที่กะลังฝึกเข้า<ม>ใจไม้มจิตที่ฝึกมันจะมันก็จะเป็นแบบนั้นแบบนั้นนะเข่าใจไ ม, มันก็ธรรมดาแต่คือเมื่อเรามีสติมากขึ้นก็คือว่าแต่ก่อนมันเคยคิดนานคิดนานโกรธนานอะไรต่งตางๆนานมันก็สั้นลงพอเราออกมาได้ แบบนี้คือแบบนี้นะเราเครียดกัาทุกข์ทุกข์มากแต่ก่อนเคยติดกับความทุกข์นานเครียดนานมันก็ออกมาได้คือพัฒนาการไม่ใช่ว่าจะไม่หลงแต่พัฒนาการคือหลงสั้นสั้นสึ้นหรือว่าอาท่ว่าเราเคยว่าโมโหโกรธมันก็คือเริ่มจากเราผิดวับหุดหงิดพอเราไม่รู้ตัวมันเลยสะสมการเิความโกรธใช่ไ้มอาฆาต พอเราเห็นตั้งแต่เราคิดบังแล้วบุญหิดแลวมันก็จะจบแค่นั้นไม่ต่อไปนี่คือพัฒนาการจะเป็นแบบนี้อันนั้นอันนั้นเราจะคิดไม่ห้ามนะไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามความดมแต่เปลี่ยนว่าตอนนี้เราสุขแล้ว น, นะเราไม่ไปอยู่กับความคิดไม่ว่าความคิดนั้นจะดีหรือไม่ดีกลับมารู้ตัวก่อนกลับมารู้ว่าเราทําอะไรก่อนอันนี้วิธียทัแบบนี้ คือแค่ตบงนี้แต่มันก็คือว่าเดี๋ยวต่อไปโยนต้องไปประยุกต์เองในชีวิตประจำวันเช่นเราปอดบ้านนี่คือมือที่เคลื่อนไหวเหมือนกันนะมือตักอาหารนี่คือมือที่เคลื่อนไหวเหมือนกันแฟนฟัคือการเคลื่อนไหวเหมือนกันอันนี้คือการยนต์สติถ้ามันจะได้ผลดีคือเราต้องทําห้มันต่อเนื่องคือว่าไม่ใช่เราจะมายกมือสิบสี่ท่าแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ทําอย่างอื่น โยกนกอดบ้านก็คือมีสติมีสติในการกอดบ้านโยนแปรงฟันก็มีสติในการแปรงฟันโยมเขียนหนังสือก็มีสติในการเขียนหนังสือนี่คือวิธีเนี้ยมันจะเอาไปประยุกต์กับชีวิตประจํำวันได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่านะรู้สึกการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวหยวน้ำเหรอก็คือฝึกสติพอรู้สึกการเคลื่อนรู้สึก การกินรู้สึกการยกใช่ไหมครัไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าต้องช้านะก็รู้สึกว่าหิวล่ะรู้สึกว่าว่าเพื่อนรู้สึกว่าิีบรู้สึกว่ายกมาคือก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละนะไม่ใช่ว่าต้องเกรงต้องชา้าอะไรแบบนี้นะเนี่ยคือมันจะเป็นไปยุกต์แบบนั้นมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยงแล้ดึกใต้เมื่อไหร่ให้ทำํำใช่ไหมไดึกใต้เมื่อไหร่ให้ทำํำใจมันคิดไปดึกได้เมื่อไหร่ กลับมารู้สึกว่สลับนั่งอยู่นะคือให้ทําแบบนี้นบ่อยคติมันจะไม่มันจะคล้ายๆ ค, ค, ความคิดมันจะไม่ยาวมะอย่าง้เราตัดต้องให้มันหันเนี่ยใช่ไหมครัเหมือนเหมือนเส้นจากเส้นผัก บ, บุ้งยอะไรยาวๆเราต้องต้องหัน่นค่อยๆหัน่นมันถึงจะสั้นใช่ไหมครับถ้ามันเส้นยาวกินยากก็ต้องหันหน น, น, นี้ฝึกแบบนี้เนาะอ่าอันนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะได้ลองนั่งยกมือ เราก็จะที่จริงยกมือแบบนี้เนาะนอนก็ได้นอนนอนไม่หลับก็นอนทําแบบอหรืออย่างที่บอกอาจารย์สมพลน่ะท่านนอนแล้วนอนนอนก็ทําแค่นี้นะไม่ก็นอนทํานอนนอนเตียงนี่นะเขาทาแค่นหมทําข้างขวาเมื่อยก็ทําข้างตายนนั้ก็ทําแค่นี้ ไม่จะเป็นต้อง14ท่าก็ได้หรือว่าเราไปอยู่ในที่ที่คนไม่ได้รู้จักวิธีแบบนี้เราก็ทำแค่นี้ก็ได้หรือว่าแค่นะหมุนนิ้วหรือเนะี่ยหมุนนิ้วเนะี่ยเดือดกระดิกอะไรก็ได้ไนนะคือให้มีการเคลื่อนไหวอยันหน่งยแลก็รู้ตัวนะลองค่อยๆคุกเข่าเนาะยืนขึ้นนะ ยืนเราก็รู้สึกนะชั้นเขาขึ้นเราไปรู้สึกเป็นท่าธรรมดาของเรารู้สึกตัวว่าเต็มยืนเนาะยืนสบายสบายแต่ถ้าเราเต้นเต็มโคมบางทีก็ใหม่ๆก็คือว่าเก็บมือนไหน เก็บไว้นี้ก็ได้เก็บไว้ข้างหลังก็ได้วันหนาวๆจะกอดก็ได้แต่ถ้าเรานปกติก็จะเดินแหวงแหนก็ได้นะม่เป็นไรเอาแบบอะไรก็ได้นะมันมิเตเรามบิดกับการยืนนะแต่ถ้ายืนมันจะดูดูถึงการยืนอย่างเดียวนี่ก็ดูได้แล้วต่อไปจะดูถึงการเคลื่อนนิดๆหน่อยของร่างกายแต่มันมันก็อาจจะไม่ค่อยเป็นธรราตเท่ หรือบางทีเยลงมือวังนี่ก็ได้บางทีเรานั่งงานนะออกกําลังกายแบยนี้สิบสี่ท่าลองพักกันมั้ยบาทียืนทำรู้สึกสามารถทําแม่งกว่านั่นนะี หายใจเพิ่มออกเจนในใจเพิ่มความเซ็ตชื่อเลยนจิตแลก็คือรู้สึกถึงการทั้งเครื่องรู้สึกถึอตังการหายใจจิตลงไป คล้ายๆโยนพักโยนพักโยนรู้สึกเพื่อรู้สึกหายใจคืออาศัยรู้สึกตัวไปด้วยนะฮะนี่คืยืนนะเราจะทําท่าไหนก็ได้แต่เราตอนนี้จะ่อนเดินนะเมือเก็บไว้ตรงไหนก็ได้เดินอยู่กับที่รำรำเดินอยู่กับที่เลยเราจะเดินเบบไหนก็ยังเกี่ย รู้สึกว่าร่างกายจะเป็นเต็มให้รู้สึกแบบรวมไม่ใช่อาใจเรียกจ้องที่ท้าไม่ต้องซ้ายข้ยไม่ต้องไม่ต้องพูดนใจว่าเราได้ดีกาะรดักต้องเหมือนกันยมสังเกตรู้สึกการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเการเคลื่อน ยกขวาขึ ừ, a, ้งก็เอ็นได้แต่เราไม่ต้องพูดแบบนี้ในใจนะเราสังเกตุเลยร่างกายมันมันจะพกวนไปมันก็รู้สึกแบบนึงมันยกขึ้นมารู้สึกแบบนึงมันเอ็นแบบที่รู้สึกแบบสังเกต์แต่ไม่ต้องแบบใช้ความคิดแยกแยันะแต่เราสังเกตมันไป ให้เราแบบผ่อนคลายนะมันสังเกตบางทีเราก็เดินมาไม่รู้กี่ปีแต่บางทีเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเรากำลังเดิน <c oughs> รู้สึกหมสังเกรบางทีเนี่ยเห็นไหมการเดินเราไม่คิดจ้องแต่ทำเราจะเห็นนะ ไปเองนะแต่ถ้าเดินข้างหน้าอาจจะเอ็นข้งหน้าอออยมัยมเดินวันนี้หนะนักดอเนาเดินมาข้างหน้าเก้าหนึ่งต้องสอบข้างนะไฟรั้ง้าหนงหยุดแล้วก็เดินเมื่อกี้มัเด็กข้างข้าม น, นิเ่เอ็เหยียนข้างหน้า้ แบบที and ่เราเดนนี right? ่ปกติเลยค่ะากแม่งอะอนเาเดินแบบนี้คือเราจะกลับมาดูต่างแค่นี้แหะคือมันคิดมันอาจจะคิดอยู่นะแต่่างนี้ยี่เราเรากลับมาความคิดมันก็เลยไม่ไม่เป็นนาทีเป็นอะไรนี่คิดสองวินาทีนะครับ อยนเป็นแบบนี้นะเราไม่ห้ามความคิดจะคิดไปคิดแต่เราก็จะกลับมาแบบนี้นะไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ฝึกฝั่นั้เลยกรรมฐานก็อย่าบอกว่าก็แค่ให้เราฝึกมาดูตัวต่อไปเราจะเห็นมันจะแยกได้อีกโดยโยงเอากระเป๋าเก็บไว้ข้างๆเลิศตรงนี้มาเน้นให้ดูก่นนะบางทีแต่ถ้าเรามีพื้นที่กันา เราจะเดินแบบเลี้ยงกกลับไปกลับมาเราตับตัวก็หิ้มนแต่ถ้าเราเดินสั้นตั้นเดินไม่ไกลประมาณสิบกว่าเก้ามันก็มาจะตัดไปด้านเดียวกันหัน า, งงาน้าด้านเดียวกันตัซ้ายทีกว่าทีดจะได้ไม่ไม่เียน